นุโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้มีจิตใจฝากฝ่ายในธรรมะที่เคารพทุกทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าผมได้มีโอกาสมาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมมาแบ่งปันความรู้แล้วก็แง่คิด ในทางธรรมะตามสมควรแก่วเวลาก็ถือว่าอากาศจะร้อนสักหน่อยเนาะข้างนอกแต่ข้างในนี่เย็นสบายก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเรามาทำบุญนีทำกุศลการฟังธรรมถือว่าเป็นบุญกุศลฟังธรรมเพื่อว่าจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเอาไปแก้ปัญหา เอาไว้ดับทุกข์เอาไว้สร้างความสุขให้กับจิตใจของเราในธนาที่เป็นกัลยาณมิตรประจำบ้านอารี <c oughs> าก็เลยอยากแกนำเอาธรรมะง่ายๆมาพูดกันนะเพราะว่าอันที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องง่ายฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ เมื่อหลวงว่าเทียนท่านบอกว่าติสใจเดียวติสใจเดียวบรรลุธรรมเลยอันนี้ฟังธรรมะนี้ง่ายเหมือนกันถ้าเราวางจิตวางใจดีๆนี่อาจจะมีอริยะเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ว่าค่อนข้างจะลึกซึ้งสักหน่อย ธรรมะเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องเหนือโลกเรื่องเหนือโลกนี่ต้องเป็นเรื่องดับทุกข์นะถ้าเรื่องทุกทุกความทุกขมันก็เป็นเรื่องในโลกนี่แหละในวัฏะสงสารด้วยถ้าเรื่องดับทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องเหนือโลกวันเนี้ธรรมะง่ายๆนะเริ่มต้นกันเหนือโลกแนละว ฟังอยู่ที่การฟังวางกิดวางใจถ้าเรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากมันก็ยากอะ่ะต้องแก้ปัญหาถ้ามองทุกอย่างไปเรื่องง่ายๆมันก็ง่ายนะมันยากมันง่ายเลยไม่ใช่ที่ปัญหามันยากมันง่ายอยู่ที่ใจของเราต่างหากบางคนบอกว่าเราจะทาชีวิตให้ง่ายๆกล้วยกล้วยตอกกล้วยมา ป, ปลูกหน้าบ้าน ป, ปลูกกล้วยหน้าบ้าน ทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องกล้วยๆ ก, กล้วยนะมันกล้วยแต่ข้างในเนะี่ยดูแล้วมันวุ่นวายเลยือเนี่ยน่ะเป็นเรื่องดับทุกข์นี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอันที่จริงแล้วเนี่ยเราอยากจะแบ่งบุคคลที่มีความสนใจฝักใฝ่ในธรรมะอย่างเหนียวแน่นลึกซึ้งเนี่ย ก็จะมีบุนคคลอยู่สองประเภทสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเข้ามาสนใจธรรมะก็เพราะว่าถูกความทุกข์เผาลนจนทนได้ยากแล้วก็หาทางออกจากทุกข์จึงจะเป็นต้องมาสนใจธรรมะมาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมและมีอีกประเภทหนึ่ง ประเภทคือบุคคลที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญชานาญในชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวคนพบตัวเองจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่ได้ไปเจอหน้าทั้งหมดแอนดีดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดหวังทั้งนั้นเลยเราไม่เคยมีความสมหวังในสิ่งที่เราต้องการจะหวัง มีสิ่งที่ผิดหวังเป็นสิ่งที่ไร้สาระแม่สิ่งนั้นเขาเรียกว่าความสุขในความสุขก็เป็นสิ่งที่ไร้สาระเบื่อหน่ายนะในการดำเนินชีวิตแบบซ้ำๆซากๆมีแต่ความจำเจแต่ก็จำใจต้องใช้ชีวิตแบบเก่เาๆ เ, เดิมๆ เ, เบื่อละเบื่อก็ทั้งการเกิดในปตัตจัสงสารด้วยซ้ำไปอยากจะหาทางหลุดพน้นจึง มุ่งดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ด, ด้วยการนําเอาหลักธรรมเอามาปฏิบัติที่ยิงไม่จําเป็นต้องพุทธศาสนาก็ได้ศาสนาไหนก็ตามถ้าเกิดปัญหาชีต์ปั๊บจะมุ่งเข้าหาหลักธรรมในศาสนานั้นๆแต่ในฐานที่เราเป็นชาวพุทธเราก็เอาหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเพื่อให้พ้นจากปัญหาบุคคลประเภทที่หนึ่งเนี่ย เป็นบุคคลที่ต้องผูกความทุกข์เผาลลนบีบคันซะก่อนจึงจะหาทางหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติธรรมประเภทที่สองเนี่เป็นบุคคลที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองคิดว่ามาหาทางอันประเสริฐที่ดีกว่าเดิมดีกว่าแม้ว่าชีวิตจะมีความสุขแล้วก็ยังไม่พอใจในความสุขเห็นความสุขเนี่ยมันมีทุกข์ซ่อนอยู่ บุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีปัญญามากนะสามารถเห็นทุกอยู่ในสุขได้ซึ่งถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยดูแล้วบุคคลคนนี้นี่ไม่น่าจะมีปัญหาชีวิตมีพร้อมทุกอย่างทำไมเขาจึงว่าชีวิตเขามีความทุกข์จำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาอันนี้ไม่ธรรมดานะไม่ยังกับเขาเห็นเหยื่อ แล้วก็มีเบ็ดซ่อนอยู่ข้างในก็จะไม่หลวมตัวที่ยั ง, งับเหยื่อไปแล้วก็โดนเบ็ดเข้าไปเกี่ยวด้วยบุคคลประเภทที่สองเนี่ยจะมีความหนักแน่นมากในะธรรมะจะไม่ถอยหลังไม่เสื่อมถอยประเภทที่หนึ่งเนีย่ยไม่แน่นะบางทีทุกข์มันจางคลายแม้เพียงนั่งสมาธิจิตสงบเนี่ยโอ้พ้นทุกข์แล้วอาจจะกลับไปหลงละเลงกับทางโลกเหมือนเดิมก็ได้อาจจะกลับคืนก็ได้ แต่ประเภทที่สองนี่แน่นอนมากยังไงเสียก็จะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วญาติธรรมนี่พอจะสง่งเคราะห์ได้ไหมว่าเป็นประเภทไหนหรือเป็นประเภทที่สามตามตา ม, ตามกันมาอยาก็มาเบื่อก็กลับเบื่อที่บ้านก็มาฟังธรรมเบื่อฟังธรรมก็กลับบ้านเดินเข้าเดินออกจนบ้านนารีมันปับ เบื่อที่บ้านอาจจะไปอยู่วัดแล้วอยู่วัดไม่นานอ่ะเบื่อที่วัดกลับมาที่บ้านอาการไม่ค่อยดีหามเข้าหาหมอก <c oughs> ก็ยังดีนะ <c oughs> ก็ยังดียังรู้จักว่าเวลามีปัญหาแล้วเข้าหาธรรมะนี่ก็ยังดีกว่ามีปัญหาแล้วเข้าหาใบายามุขสรุปแล้วนี่บุคคลทั้งสองประเภทเนี่ยที่สนใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะถูกความทุกข์บีบคั้นทงนั้นเลย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีสติปัญญามองความทุกเนี่ขนาดไหนบางคนบอกว่าชีวิตเขาไม่มีความทุกเลยแตอนเกิดมาเนี่ยเขาไม่มีความทุกเลยมีแต่ความสุขสนานนั่นหลงในชีวิตแล้วไม่รู้จักทุกทุกวันเนี่ยดำเนินชีวิตแบบแก้ทุกขอยู่ทุกวันแต่ไม่เห็นว่าเป็นทุกก็ถึงต้องตามแก้ทุกันไปตลอดชีวิตแล้วก็บอกว่าเราไม่มีทุก อย่างเงี้ยก็ต้องเวียนไ่ว้ตายเกิดไปตามกรรมมานะเนี่ยเราจึงต้องมาอาศัยการฟังเรียกว่าเป็นปรตโกรสะได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติก็อยากจะเสนอเป็นอุบายสักหน่อยหรือเป็นเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมที่นี้ก็มีผู้ที่ปฏิบัติธรรมหลายคนนะ ก็มีหลักอยู่ว่าถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบช่วยมีสิ่งที่ช่วยเราอยังเช่นมีกรัลรยาณมิตรมิตรในทางธรรมเราต้องมีกรัลรยาณมิตรมันจะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าเพราะว่าเมื่อเราเกิดศรัทธาแล้ว เราก็ต้องเข้าหากัลยาณมิตรที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นเพื่อนในทางธรรมให้ช่วยเหลือเราจะได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรเข้าใกล้กัลยาณมิตรฟังธรรมจนเข้าใจต่อไปไปฏิบัติจนเข้าถึงเริ่มต้นจากศรัทธานะแล้วก็เข้าหากัลยาณมิตรแล้วฟังธรรมแล้วก็ไปไปฏิบัติกัลยาณมิตร ตัวอย่างเช่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้ช่วาเราเรามากมายนอกจากว่าพูดให้ฟังทำตัวอย่างให้ดูอยู่เป็นสุขให้เห็นใครเข้าอยู่ใกล้กบล่มเย็นมีความสุขพูดธรรมะให้ฟังทำตัวอย่างที่ดีๆให้ดูอยู่มีความสุขให้เราเห็นจิตใจเยื่องเย็นให้เราได้สัมผัส ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าโอ้มันเย็นมันน่าเข้าใกล้อันเนี้ยเป็นมิตรในทางธรรมมิตรในทางธรรมมีแต่เกื้อกูลประโยชน์ให้กับเราท่านสามารถแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตให้กับเราพร้อมทั้งให้กำลังใจในยามที่เราท้อแท้อ่าเนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรแต่อย่างไรก็ตามกัลยาณมิตรก็เป็นเพียงแค่ ให้วิชาการแต่ไม่ได้ให้ประสบการณ์นะการยาณมิทย์ให้แค่วิชาการแต่ผู้ฟังนี่ต้องไปหาประสบการณ์เราเองถ้าได้ประสบการณ์เราไม่ได้หรอก mm. เพียงแค่เล่าให้ฟังแต่เราจะต้องไปหาประสบการณ์เราเองมันจริงจะเป็นประโยชน์สาหรับตัวเราอันนี้อันที่หนึ่งก็เป็นการยาณมิทรอันที่สองก็เป็นหลักรมคาสอนจะปฏิบัิทาให กาวหน้าต้องมีการเมิรแล้วก็มีหลักธรรมคำสอนที่ถูกตรงกับสัจธรรมมุ่งเข้าสู่ความดับทุกข์หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องนั้นเน่มันจะต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อความไม่ยึดติดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องถูกตรงกับที่พรเจ้าได้ตรัสรู้เราอาจจะศึกษาหลักธรรม เพิ่มเติมก็ได้เนี่ยถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยมีเยอะ 84,000 ี่พันพระธรรมขันธ์เราเลือกเฉพาะธรรมะปฏิบัตินำเอาไปใช้ในชีวิตประจบวันดีกว่ามันง่ายมันขมวดหลักธรรมเข้ามาใกล้ๆตัวเราควรจะศึกษาเรื่องพ ร, ระไตรลักษณ์ขันธ์ห้าอริยสัจสี ส, ส, สติปัฏฐานสี่ถือว่าเป็นหลักธรร ม, ท, รมที่สาคัญมากศึกษาเพื่อนาเอาไปปฏิบัติแบบย่อ ไม่ต้องเย็ยนเยอะศึกษามากพอดีตายก่อนก็ไม่ได้ไปฏิบัติสักทีเอาสั้นๆเนียต้องศึกษาหลักธรรมแล้วก็นําเอาไ ป, ไปใช้มีเพื่อนมีมิตรแล้วต้องมีหลักธรรมที่ถูกต้องผมเองก็ชอบศึกษาหลักธรรมสั้นๆอย่างเช่นเราผมเคยอ่านหนังสือที่เป็นพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าจิตเนี่ยมันมีความประพัฒสอนอยู่ก่อน ผ่องใสพระพัฒสอนอยู่ก่อนที่จิตต้องมัวหมองไปก็เพราะว่ามีอุปกเลสเป็นอาคันทุกข์มาสู่จิตทําให้จิตนี้ต้องเศร้าหมองหรือมัวหมองและอีกไม่ช้าไม่นานอุปเิรลเนี้ยก็จะจอจากไปหลักธรรเป็นแค่เนี้ยโอ้ทำให้เราได้วิธีการปฏิบัติมากมายได้แง่คิดเหมือนจะหลุดพ้นที่ลึกซึ้งมากจิต นี่เขาประพัสสอนอยู่ก่อนแล้วที่จิตที่ต้องมัวมองไปก็เพราะว่ามีอุปกิเลสเป็นแขกจอนมาคำว่าแขกนี่มันอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็จอนจากไปแล้วจิตก็จะประพัสสอนผ่องแผ้วเหมือนเดิมเพียงบทแค่เนี้ยหลักธรรมแค่เนี้ยให้เราก็น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นรพอดีไปอ่านแนวการ ปฏิบัติธรรมที่ท่าอาจารย์ผูทาได้เขียนไว้เรื่องของจิตว่างสุญญตาก็ไปอ่านประกอบแล้วก็อ่านเพงแค่นี้นะมันเหมือนจะบรรลุธรรมนะรู้สึกมันทำให้จิตมันว่างๆนี่มันง่ายมากทำให้จิตมันว่างวันวันหนึ่งมันทำอะไรทำให้จิตมันว่างๆเขาไว้อย่าให้มันมัวหมองก็ไม่ต้องทำอะไรนะวันวันหนึ่งก็ไม่คุยกับใคร ไม่ฟังวิทยุไม่ดูทีวีไม่อ่านหนังสือพิมพ์แยกตัวเองไปอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งเงียบๆเบพราะกลัวจิตมันจะไม่ประพัฒนสอน <c oughs> รักษาประคองจิตเอาไว้มันก็สนุกกับความเครียดอยู่ระยะหนึ่งไงนะ <c oughs> อมันเหมือนอย่างกับเราพาจิตเข้าคุกไม่ให้ไปยุ่งอะไรใครนะมันก็เครียดอยู่ระยะหนึ่งเอ๊ะมันมันไม่ใช่นะเดี๋ยเวลามี อะไรมากระทบเนี่ยโอ้มันมันรับไปหมดเลยกลัวกลัวความฟุ้งซ่านรักษาความว่างแต่ขณะรักษาเนี่ยมันไม่ว่างะนะไอตัวรักษาทำให้จิตไม่ว่างไม่อยางกัรอยู่ในห้องนี้คนเดียวคุณอยากเข้ามาห้องนี้มันว่างคุณอยากเข้ามาไล่เขาโู้นคุณนี้อยากให้ห้องมันว่างแต่ลืมดูไปว่าเราคนนึงทำให้ห้องไม่ว่าง ไอสติหรือไม่เห็นสติคือจิตที่คิดรักษาจิตให้มันว่าง่ะนั่นแหละคือความไม่ว่างเราไม่เข้าใจหรอกเราฟังธรรมะแล้วเข้าใจแล้วหลุดพ้นไปเลยเนี่ยมันก็น่าจะอนุโมทนาแต่ฟังแล้วมันไม่หลุดเนี่ยมันก็ต้องมีการปฏิบัติใช่ไหมถ้าหลุดไปแล้วก็จบเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องกลับมา ป, ปฏิบัติเรื่องจบกลับบ้านได้ แต่ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าโยนิสโสมนัสิการช่วยในหลักธรรมวางจิตวางใจย่างไรให้จิตมันว่างมมีวิธีไหนบ้างเราต้องมองจากสภาพที่เป็นจริงในตัวเราเมื่อจิตมันไม่ว่างไปคิดให้มันว่างมันก็วุ่นอยู่ในความว่างแล้วก็ยังไม่ว่างอีู่ล่ะใช่ไหม <c oughs> มันยังไม่หลุดพ้นชีวิตจริงเรามันวุ่นวาย จะทำอย่างไรหลักธรรมคำสอนเนี่ยเป็นเพียงวิธีการแต่เราต้องเอาไปปฏิบัติการนะวิธีการอย่างเดียวเราต้องเอาไปปฏิบัติการคือต้องไปปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เป็นการพิสูจน์พิสูจน์หลักธรรมตรงนี้ให้เข้าถึงความประพัฒนัสอนของจิตให้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม มันจะมีการปฏิบัติธรรมมากมายหลายแบบ <c oughs> ก็เพื่อให้เข้าสึงความเป็นประพัฒสอนของจิตเท่านั้นรูปแบบต่างๆเป็นเพียงอุบายเป็นอุบายเพื่อการเข้าถึงจิตที่ประพัฒสอนแล้วแต่อุบายไหนจะตรงกับจริตของใครมุขถือเรื่องการปฏิบัติธรรมจึงต้องหันมาปฏิบัติธรรมนะคนที่ยังไม่ใช่เป็นบัวพ้นน้าแล้ว พลับแสงปับ๊บอ๋อก็สว่างเบิกบานไปเลยแต่เราในฐาะที่ว่าเราเกือบจะพ้นน้ำอะ่ะต้องฟังธรรมกันบ้างปฏิบัติกันบ้างร้องผิดล้องถูกเพื่อให้มีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการเอาจิตมาลูความจรงิงปฏิบัติธรรมการเอาจิตมาลูความจรงิงให้จิตมีประสบการณ์ ที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันจะสัมผัสความจริงไม่ได้หรอกเพียงแค่รู้จํารู้จักมันก็รู้จักความคิดรู้จกากตำราไม่ใช่ความรู้ของเราถ้าเป็นความรู้ของเรามันต้องมีประสบการณ์เห็นที่ผิดที่ถูกเห็นทางตึงเห็นทางย่อนมันจะจะเห็นทางสายกลางเพระาะฉะนั้นการปฏิบัติมากๆที่สับสนวุ่นวายนะั้นมันไม่เป็นไรนะมันดีนะน่ะ ผิดมั่งหลงมั่งรูมั่งฟุ้งมั่งท้อมั่งขี้เกียจบั่งนั่นมันเป็นแค่ พ, พื้นฐานเป็นประสบการณ์ให้เราได้ก้าวขึ้นไปสูงอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือเสียเวลามันเป็นฐานให้เราได้ต่อยอดทุกวันเนี่ยให้เราวางกิตวางใจเราไปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อยอดจิตให้มันถึงความเป็นประพัฒสอน ชีวิตคือการต่อยอดเราต่อยอดไดทุกวันนะเป็นชีวิตใหม่ใน้ทุกวันนะอย่าคิดว่าชีวิตเราถอยหลังล้าหลังไม่ใช่มองว่าชีวิตคือการต่อยอดไปสู่ความพ้นทุกข์หรือไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตถึงแม้นมา่าเราจะอยู่ที่เดิมที่เก่าเราก็ต่อยอดจากของเก่าให้เป็นของใหม่ก็ได้ นั่งกาไปฏิบัติธรรมคือการเอาจิตมาลู่ความจริงให้จิตมีประสบการณ์ชีวิตแล้วควรจะวางจิตใจให้ถูกต้องเนี่ยการเริ่มต้นการปฏิบัติก็คือตรงเนี้ยเราต้องเริ่มต้นจากการวางจิตที่มันเป็นประพัฒสอนไว้ก่อนมันจะได้สอดคล้องกับของเก่าๆดำเนิมของจิตสอดคล้องของจิตที่เป็นประพัฒสอนผ่องใสยอยู่ก่อนเห็น ไ, ไหม มันต้องเริ่มต้นนำร่องจิต ด, ด้วยแบบนี้นะเริ่มให้ถูกต้องรับรองในท่ามกลางก็ถูกต้องที่สุดก็ถูกต้องเขา้านิพพานได้ถูกถ้าเริ่มผิดนี่เข้าทางผิดก่านิพพานนะนิพพานไม่มีประตูหลังนะมีประตูเดียวนะเริ่มต้นให้ถูกต้องซะก่อนอย่างกับอะไรผมเคยอ่านของใครไม่ทราบนะเขาบอกว่า ถ้าเราเริ่มต้นผิดทางเดินก็จะผิดจุดหมายปลายทางก็จะผิดไปด้วยเหมือนย่างกับติรกระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกเม็ดเดียวที่ติดผิดเม็ดต่อไปก็ย่อมผิดและก็โทษว่าช่างเขาทำกระดุมไม่เท่ากันทำกระดุมเกินลังดุมทำกระดุมขาดลไม่เท่ากับลังดุม การปฏิบัติก็เหมือนกันนะต้องเริ่มให้ถูกต้องด้วยจิตที่เป็นปกติประพัฒสอนมีอยู่ก่อนแล้วมันเหมือนจากบรรลุ ธ, ธรรมตนยังไม่ก้าวเลยําไปแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องอาศัยรูปแบบในการปฏิบตับติบ้างมีรูปแบบเนี่ ย, ยเช่นการจิตสติมีหลายอย่างจะเป็นแบบบริกรรมต่างๆนาะนาะหรือแบบสังเกตลมหายใจและไม่บริกรรม หรือแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติตามรู้ทุกอย่างให้เราต้นด้วยจิตที่เป็นปกติซะก่อนเริ่ม จ, จิตที่เป็นปกติผ่องใสในการระลึกลงไปกายก็ได้จิตก็ได้คนที่รู้กายก็รู้ได้จิตเป็นปกติธรรมดาคนที่จะไปรู้จิตก็รู้จิตปกติธรรมดาวางจิตวางใจให้เป็นปกติธรรมดาไว้ รู้ใจใจแบบดูดูรู้แบบห่างๆไม่ อ, อย่าไปจี้มันจิตมันจะเป็นกลางไปเอง่อาติธรรมกักจะมีปัญหาว่าลอยในมันติดเพ่งจะทำไงให้มันไม่เพ่งมันไม่ยากหรอกทำให้ไม่เพ่งอะ่ะก็รู้แบบเบาเาสบายสบายอย่าไปจี้รู้ห่างๆแบบคลุมคลุมอย่าไปจี้จุดใดจุดหนึ่ง รู้แบบคุมคลุมรู้รอบๆเหมือนมองผมเนี่ย่มองผมเนี่ยถ้ามองเป็นมุมกว้างเนี่ยมันไม่เครียดนะถ้าเพ่งดูว่าผมใส่ฟันปลอมหรือเปล่าเนี่ยมันเครียดอย่าไปจี้จุดใดจุดหนึ่งรู้แบบคลุมๆเลยว่าอ๋อมีอะไรไม่รู้มานั่งพูดๆเคลื่อนไหวไปมาเนฮนะรู้เป็นปรมัต ธ, ธรรมไปเลยไม่เป็นสมมุติว่าเป็นคนนะ รู้แบบนี้มันจะไม่เครียดมันจะไม่เพ่งด้วยรู้กว้างๆคุมๆห่างๆจิตมันก็เป็นกลางเราเองเห็นไ่มในวิธีการแก้การเพ่งอารมณ์แบบง่ายๆเลยไม่ต้องจี้มันจะได้ไม่เพง่งมันไม่ยังกับว่าอะไรการล่วงห่างเนี่ยดีมากนะล่วงห่างเนี่ยมันอย่างกับเราไม่ได้เข้าไปใกล้กับอารมณ์มันปลอดภัยนะไม่ยังกับเรา สองกระจกเงาเนี่ยมีกระจกเงาอยู่บานหนึ่งถ้าเราจะเห็นตัวเราให้ชัดเจนเนี่ยเราต้องถอยออกมาจากกระจกสักระยะหนึ่งเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็เห็นตัวเราได้เต็มตัวเลยถ้าเข้าไปใกล้เนี่บางทีมันมึนนะมองไม่ชัดต้องมอง ก, อกว้างการรู้ห่างรู้นานเนี่ยจิตมันจะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเองมันมีประสบการณ์ไม่ใช่ว่ามันไม่ชัด เราก็ไปบังคับจิตให้มันรู้ให้มันชัดเนี่ยเราไปบังคับจิตละเราไม่ให้เกียรติจิตมันบ้างเลย mm hmm. เขามีความสามารถเพ็นงแค่นี้ mm hmm. ก็ต้องยอมรับเขาไม่มีสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเราไม่พอใจกิเลสไม่พอใจมันต้องชัดกว่านี้แะไปบังคับจิตให้มันชัดซึ่งไม่จาเป็นหรอกจิตเมื่อเขารู้ดนานาเด็ยเขาค่อยๆปรับตัวเขาพัฒนาเก็บรายละเอียดของอารมณ์ไปเอง เห็นใยรักโดยง่ายได้ไม่ต้องไปเพ่งให้มันเห็นใยรักไม่ต้องจิตก็จะาหน้าที่ของเขาเองเราก็จะไม่เครียดต้องให้สิทธิ์เขาบ้างเขามีความสามารถแค่นั้นก็แค่นั้นไม่เป็นไรไอ้คาว่ารู้ชัดรู้ชัดเนี่ยไม่ใช่มองให้ชัดสัมผัสให้ชัดไม่ใช่รู้ชัดก็คือรู้ว่าอ๋อจิตเนี่ยหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน มันมีทุกข์อยู่ในนั้นคือรู้ชัดอย่างเงี้ยไม่ใช่มองให้ชัดนะคือรู้ธรรมชาติของเขาอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นอย่างไรพอระลึกรู้ปั๊บบรรลุเลยเนี่ยมันจะไวเกิดไปก็ต้องให้จิตก็ทำหน้าที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะชัดเจนโดยธรรมชาติไปเองนะเนี่ยสบายเลยแค่รู้ด้วยจิตเป็นพระสอนธรรมดาเนี่ยมันก็จะแยกอารมณ์ไปได้ละ แล้วทีนี้ถามว่าเรารู้จริตสติไปเนี่ยจะเป็นจิตหรือกายก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์เข้ามาผ่านมาจะเรื่องของกายเรื่องของความคิดต่างๆการปรุกแต่ต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแต่วความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้ใกล้ๆหรือไปเพ่งไปบังคับเนี่ยจิตมันจะหมุนไปตามอารมณ์นะ มันจะแปลปรนไปตามอารมณ์เลยไม่ปลอดภัยเลยนะถ้ารู้อยู่ห่างเนี่ยมันปลอดภัยอารมณ์มันอยู่นอกๆจิตผู้รู้มันออกมาจากข้างในมันแยกกันเลยไหมไม่ต้องคิดให้มันแยกถ้าจิตที่มันเริ่มจากปกติพระพัสสรเนี่มันแยกกันโดยธรรมชาติมันไม่ก่อเกี่ยวกับอารมณ์เลยสิ่งที่มาปรุงแต่งจะอยู่นอกๆปลอดภัยพอเริ่มปฏิบัติมันก็เริ่มปลอดภัยนล้ ที่สำคัญก็คือเรามันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องบ่อยๆบ่อยๆต่อเนื่องบ่อยๆสำคัญมากการต่อเนื่องนะจิตจะมีกำลังจะแข็งแรงแต่ถ้าหากว่ามันหลงลืมไปมันก็เป็นธรรมดาเราก็เริ่มต้นรู้ใหม่สิมันลืมไปมันเผลอไปมันคิดไปมันฟุ้งไปก็รู้ใหม่สิฝึกที่จะรู้ใหม่ๆเรื่อยๆ เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มันหลงมันลืมดีนะในทางธรรมในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นชีวิตใหม่ในทางโลกการเริ่มต้นใหม่ในเมเดียแล้วันล้มเหลวมาบ่อยจึงต้องเริ่มต้นใหม่บ่อยๆไม่ดีใครที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยโอ้ยนี่ลาสมัยแล้วเก่าแก่เขานี่คนเก่าคนแก่นั่นแหละคือจิตเก่าๆอยู่เรื่อย เมื่อเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่มันก็จิตดวงใหม่เกิดขึ้นเพราะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมันก็ดับมันจะรู้ชัดเป็นชัดก็รู้สึกตัวใหม่ให้รู้ใหม่ใหม่ใหมเรื่อยๆชีวิตมันจะใหม่ตลอดเวลาเพราะจิตนี้มันไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเกิดนานนะมันดับปั๊บเกิดใหม่ดับปั๊บเกิดใหม่ทีละขณะขณะก็รู้ใหม่รู้ใหม่จิตที่รู้สึกขึ้นมาใหม่เนี่ย มันจะมีกําลังมันจะรู้มันจะเติมจะเบิกบานมันเป็นปัจจุบันเป็นจิตที่ปัจจุบันกว่าจิตดวงใหม่เกิดขึ้นเท่ากับเรามีชีวิตใหม่ปัจจุบันอยู่แล้วเพราะฉนั้นเวลาเราเผลอหลงไปกันโอ้แล้วไปแล้วกันไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่อย่าไปคิดอย่าไปคํานวณอย่าไปคํานึงอย่าไปหาเหตุผลทําไมเราจึงอย่างนั้นทําไมาอย่างนีเสียเวลา ไปคิดซ้อนคิดทําไมแล้วก็แล้วกันไปล้มหมากล้มกระดานรู้สึกตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยแหะมันจะมีชีวิตใหม่ทุกวันนะทุกขนาดจิตได้ซ้ํำไปสบายเลยทีนี้ว่ามันมีปัญหาที่ว่าบางคนเนี่ยเจอสติมาแล้วหรือเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเวลามีอารมณ์มากระทบจีไยเนี่ยจิตมันต้องรับอารมณ์อย่างรุนแรงทุกทีเลย ทั้งทั้งที่รู้ก็รู้ว่านั่นคืออารมณ์แต่จิตมันก็พัวพันเข้าไปไปรักไปโกรธไปเกลียดไปทุกข์ทําไมจิตจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติมาพอสมควรแล้วทําไมจิตต้องหวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่มันน่าจะเอาชนะได้บ้างแล้วสงสัยไหมนี่เพราะจิตเราเนี่ยมันยังไม่มีกําลังมันไม่ตั้งมั่นและยังไม่มีสมาธิจิตเท่าที่ควร จิตไม่ตั้งมั่นมันขาดกำลังเราต้องแก้ไขจุดนี้สังเกต ด, ดูเราทำงานเราใช้ชีวิตถ้าจิตมันหลงบ่อยๆหรือมันฟุ้งบ่อยๆมันเป็นโรคภูมิแพ้คือแพ้อารมณ์แพ้กิเลสอยู่เลยจิตไม่มีภูมิต้านทานเพราะขาดกำลังเนี่ยเราก็ไม่ยากเราก็เสริมกำลังเสริมกำลังเป็นพร ะ, ะก็ได้ ถ้าพละนี่คือตัวตั้งรับทํำใหม่ๆก็คึกคักอินรีห้าคือการเดินหน้าเข้าหาแต่เพราะกิเลสมันรุนแรงก็ต้องมีพละห้าตั้งรับไปบ้างพละคือกําลังที่ต้องตั้งรับอินทรียคือความบุกลูกไร่ลูกบ่อยๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไปเจอต่อเขาก็ต้องตั้งรับบ้างทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเราไม่มีกําลังก็เติมก็ขอแนะนําคนจะดูกายก็ตามดูจิตก็ตามถ้าจิต ขาดกําลังเราลองมาจระสติรู้กายสิมารู้กายเอากายเป็นฐานที่ตั้งนี่แหละไอ้ตัวกายเนี่ยมันสร้างกําลังจิตได้ดีมากเลยมารู้สึกตัวไปกับกายเอากายเป็นฐานสติเนื่องในกายให้มันแน่นหนาให้มันเข้มแข็งในรูปแบบเรามาสนใจกายดูสิจิตมันยีมีกําลังในรูปแบบอย่างเช่นการเคลื่อนไหวเนี่ย สติแปลการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยพลิกมือรู้สึกเกิดใหม่แล้วจิตผู้รู้ยกมือรู้สึกจิตผู้รู้เกิดใหม่แล้วเอามือเข้ามารู้สึกจิตผู้รู้เกิดใหม่แล้วเคลื่อนมาที่อกรู้สึกเอามือออกรู้รู้รู้รู้เป็นขณะขณะ เป็นจังหวะจังหวะจิตมันเกิดรู้สึกใหม่ด้เรื่อยต่อเนื่องสิบสี่จังหวะจิตมันจะเริ่มมีกำลังละการต่อเนื่องนี่แหละอยู่กับการเคลื่อนไหวย่างมีสติไม่ใช่ไปเพ่งนะอาศัยรู้อาศัยรู้ไปเคลื่อนไหวรู้สึกยกมือรู้สึกรู้ออกมาจากข้างในการเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกคอุรานกันไม่ใช่รู้ข้างนอกรู้ ผ่านอมตะขางแต่การเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกมันแยกมันเริ่มแยกแยกจิตผู้รู้กับกายที่มันเคลื่อนไหวไป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นขณะถ้าทําให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นกอบเป็นกรรมของความรู้สึกตัวคือการทําต่อเนื่องเดินจงกลมก็เหมือนกันดูลมหายใจก็เหมือนกัน บริกรรมก็เหมือนกันให้รวยต่อเนื่องมันจะได้เป็นกอบเป็นกำความรู้ตัวมันจะแน่นหนาสติจะแน่นเอาฐานกายเป็นหลักเอาตรงนี้ให้หนักไว้ก่อนเพราะเรื่องของกายนี่มันง่ายนะจิตอยู่กับกายนี่มันปลอดภัยไอ้ที่จิตไม่ตั้งมั่นหรือไม่มีกําลังเพราะจิตมันออกไปนอกกายไปคิดไปปรุงเสียกําลังแล้วกลับมาลุกกายกายนี่มันสิ่งที่หยาบมันเป็นของใกล้ตัวเรา มันรู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายจับต้องได้สัมผัสได้มันเป็นบ้านของจิตจิตอยู่กับกายแล้วปลอดภัยทุกเมื่อถ้าจิตนี้จะกายแล้วกลับบ้านไม่ถูกมันอันตรายแล้วยิ่งกายที่มันเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งๆเนี่ยคงมันกระตุ้นจิตให้มันตื่นอยู่เรื่อยให้มันตื่นรู้อยู่เรื่อยกายที่เคลื่อนไหวมันกระตุ้นจิตให้มันตื่นสติเกิดได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน ชีวิตจิตใจจะอยู่กับปัจจุบันได้ก็ต้องอาศัยกายพออยู่กับปัจจุบันกับกายเคลื่อนไหวแล้วการงานอยู่ข้างๆก็พลอยเป็นการงานในปัจจุบันด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อจิตตามรู้กายไ ป, ไปบ่อยๆเนี่ยความคิดมันไม่ค่อยรบกวนหรอกนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะจิตไม่เปิดประตูให้ไปรับแต่มารู้กายไม่ใช่บังคับจะให้ามารู้กาย แต่มาสร้างเหตุปัจจัยของจิตให้มาสนใจกายไม่มีใครบังคับจิตได้แต่ปัญญาสติสมองสามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยให้มารู้กายได้เหตุปัจจัยความต่อเนื่องมันจะเข้าใจมีปัจจุบันเนี่ยมันนอกจากจะทำให้จิตมีกำลังแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกำเนิดความคิดนะความคิดจะไม่ค่อยเกิดนะ มันคิดไม่ได้เร้วมันไม่ค่อยอยากจะคิดแล่มายุงรู้กายซะมากกว่าต้องเริ่มฐานตรงนี้ก่อนอย่าไปกลัวว่าเราตั้งใจเราเจตนาอานะ๋อน่ะตั้งใจกับเจตนามันก็คือความเพียรเจตนาทำดีมันก็ควรจะทำดีกว่าปล่อยจิตใจใฟุ้งซ่านแล้วก็ทอถอยหิูวกระเป๋าเมารถเลิกปฏิบัติรับมาลูกกายสร้างฐานใ้จิตมันเข้มแข็งเอาตรงนี้ก่อน แล้วเมื่อรู้กายนานๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและมันจะเกิดปัญญาเปิดเผยปัญญามีที่เปิดเผยเปิดเผยความจริงของกายเปิดเผยความจริงของจิตไปในตัวด้วยเปิดเผยความลับที่กายมันซ่อนเอาไว้ เปิดเผยความลับของจิตที่เราไม่เคยเห็นตัวของมันเลยมันจะเห็นธรรมชาติของกายนะเห็นธรรมชาติของกายโอ้กายนี่มันไม่รู้อะไรนะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวกายเนี่ยกายไม่รู้อะไรแต่ที่รู้ได้เพราะจิตธรรมที่รู้ได้มันเปิดเผยธรรมชาติของกายเปิดเผยธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายคือ ไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกรู้ธรรมชาติของจิตคือรู้เห็นธรรมชาติแล้วเริ่มเกิดปัญญาแล้วเห็นอาการของกายโอกายนีย่ไม่แสดงอาการแล้วนอกจากความทุกข์อย่างเดียวกายไม่เคยแสดงความสุขกายแสดงแต่ทุกข์ซึ่งเราต้องคอยแก้ไขอยู่เรื่อยเห็นอาการของจิตออจิต น, นี่นอกจากมันจะทาหน้าที่รู้นี่มันยังชอบคิด ทำหน้รรที่รู้กับคิดเนี่ยเป็นหลักเลยเรื่องอื่นไม่ค่อยทำอะไรรู้แล้วก็คิดไม่คิดก็รู้ตอนคิดไม่รู้แต่ตอนรู้ไม่คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่คิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดอย่างหลวงปู่ดูลว่าไมน <c oughs> ะมันเห็นธรรมชาติมันแยกกายแยกจิตในภาษาธรรมเรียกวแยกรูปแยกนามเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของจิตสบายแล้ว เมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วก็จิตมันจะเริ่มพัฒนาสติธรรมดาธรรมดาที่เราพลิกแล้วรู้สึกยกแล้วก็รู้สึกเนี่ยหรือก้าแต่กล้าให้รู้สึกเนี่ยมันพัฒนาเป็นความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วมันตื่นตัวรู้สึกที่ใจมันก็ตื่นใจรู้ที่ไหนก็ตื่นออกจากอารมณ์นั้นเห็นความง่วงก็ตื่นออกจากความง่วงเห็นความคิดก็ตื่นออกมาจากโลกของความคิดจิตพัฒนาไปสู่ ภาวะที่เป็นผู้ดูขึ้นมาแล้วเห็นไหมเกิดผู้ดูขึ้นมาอีกมันพัฒนาถึงเป็นขั้นผู้ดูนี่มันไม่ธรรมดานะมันก็จะดูเรื่องของกายดูเรื่องของจิตพอเกิดจิตผู้ดูขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเห็นจิตผู้คิดเห็นจิตผู้คิดมันจะไม่สนใจกายแล้วมันจะไปสนใจกับเรื่องของจิตผู้คิดมันต่างกันนะจิตผู้ดูกับจิตผู้คิดเนี่ยงงไหม จิตผู้ดูทำหม้ที่รับรู้รับทราบจิตผู้คิดคือจิตที่มาให้รู้มันคนละดวงกันและก็ไม่เกิดพร้อมกันเกิดคนละขณะถ้าเกิดจิตผู้ดูจิตผู้คิดเกิดไม่ได้ถ้ามีจิตผู้คิดจิตผู้ดูก็ไม่เกิดเหมือนกันการเจริญติต่อเนื่องบ่อยๆเนี่ยจิตผู้ดูจะเกิดบ่อยมากแม้ว่าจิตผู้คิดจะคิดก่อน จิตผู้ดูก็มันจะตามติดอยู่ข้างหลังก็ยังดีขณะมันคิดปั๊บไม่รู้แต่พอความคิดมันเริ่มอ่อนแรงติดผู้ดูจะเริ่มปรากฏตัวทำหนทีทันทีจิตผู้คิดก็เกิดไม่ได้ไม่ใช่เรามองรถไฟนะรถไฟผ่านมาแล้วก็บวนเนี่ยบางทีเราเห็นแค่ท้ายขบวนมันคิดยังไม่ทันจะจบจิตผู้ดูมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยเห็นจิตผู้คิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป พอเรารู้กายนานๆเนี่ยมันจะไม่สนใจกายต่อเมื่อเห็นจิตผู้คิดเป็นของเล่นใหม่มันเป็นยกสุดท้ายที่ต้องจัดการในตัวเนี้ยมาเริ่มจัดการกิเลสเห็นของความทุกข์มันมาจากจิตผู้คิดนี่เองปัญหามันจากจิตผู้คิดมันจะเริ่มเข้าใจแล้วมันจะไม่ค่อยสนใจกายแล้วตัวเนี้ยกายเป็นเพียงแค่เครื่องเล่นเอาไว้รู้เล่นๆ เ, เอาไว้เป็นกีฬาแต่มาสนใจมาเอาจริงเอาจังที่จิตผู้คิดผู้นึก มันเห็นกันเองไม่เจตนาจิตมันก็ทำมาทีของมันเองมันเบื่อที่จะรู้กลายแล้วมันตั้งมั่นแล้วมันก็จะเก่งปีกกล้าขาแขนออกนอกกายไปสนใจกับจิตนะแลวชนี้ยากที่จะหลงละเพราะว่ามันมีความมั่นคงมีกำลังอยู่แล้วมันจะเห็นจิตผู้คิดเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับนับไม่ทันเลยนะนับไม่ทันเลย พรู้จิตผู้คิดนานๆเนี่ยชีวิตมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะชีวิตจะเปลี่ยนละมันเปลี่ยนที่เห็นจิตเนี่ยถ้ามีสติเห็นจิตชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปทางดีจะเข้าใจตัวเองเข้าใจความคิดเข้าใจอารมณ์เข้าใจจิตคนอื่นได้ซ้ำไปมันจะเริ่มพัฒนาตัวมันเองละตรงนี้หละชีวิตมันจะเริ่มเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนแปล ง, ปลงชัดเจนมาก เห็นจิตผู้คิ ด, ดานานแล้วเนี่ยมันก็ย้อนจิตมันย้อนกลับมาดูจิตผู้ดูเองเออดูตัวเองมันย้อนกลับมาเองใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มารู้ตัวเราได้มันก็ไปรู้จากอารมณ์หลายอย่างมันจะเห็นว่ากระทั่งจิตผู้ดูกับจิตผู้คิดเนี่ยมันมีราคาเดียวกันมันเหมือนกันอยู่ในกฎตักตั้งนันแหละเห็นความไม่เที่ยงความเป็นตักความไม่ใช่ตัวใช่ตชนทั้งจิต ผู้ดูและก็จิตผู้คิดมันเสมอกันตรงที่มันไม่ใช่ตัวตนแล้วงั้นแหละมันพัฒนาเป็นลำดับขั้นแบบเนี้ยจิตมันก็จะรู้สึกเหมือนไอ้กรู้สึกว่าถ้าวางทั้งสองตัวได้เลยไม่ถึงจิตผู้ดูจิตผู้คิดแล้วก็มันจะมีความรู้สึกมันเหมือนคนไม่มีจิตนะนะพอวางจิตไปแล้วมันเหมือนคนไม่มีจิตมันจะมีความรู้สึกว้าง เบาๆอิสระเสรีมันเหมือนชีวิตที่ไม่มีจิตมันมีเพราะที่มันว่างกว้างๆเป็นขอบเขตที่มันไม่มีตัวอยู่นั้นพอไม่มีตัวเมื่อไรแล้วก็ที่ตั้งของความทุกข์ก็จะไม่มีนะมีแต่ความสดชื่นมีความผ่องใสเบิกบานเป็นประพัฒสอนซึ่งไม่มีตัวอยู่ในนั้นมีแต่สภาวะอิสระเสรีทุกไม่มีที่เกาะ ทุกเกาะได้เพราะมีตัวมีตัวในจิตมีตัวในกายถ้าวางกายวางจิตได้เมื่อไหร่แล้วก็ทุกไม่มีที่เกาะไม่ได้วางเพราะความคิดวางจากความรู้สึกตัวที่พัฒนาขึ้นขึ้ๆจนเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดความรู้เห็นหการไปในประทรนคือการเอาจิตมารู้ความจรงิงแล้วมันก็วางไปได้เห็นหเสร็จแล้ว มันก็มีปัญหาบางคนถามว่าโอ้เนี่ยเขาเจริญสติมานานทําไมเวลาอารมณ์มากระทบปั๊บสติมันเกิดไม่ทันทันทีทาไมสติเกิดไม่ทันทั้งที่เขาเจริญสติมานานทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบแต่เวลากระทบอารมณ์ไห่แล้วก็สติมันเกิดไม่ทันอารมณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เค่อยโกรธ แต่พอมาปฏิบัติมันทายจริงโกรธบ่อยโกรธง่ายโกรธเร็วที่จริงเขาก็โกรธนะแต่เขาไม่รู้ต่สิฮะแต่พอมาปฏิบัตินี่สติมันเริ่มเห็นน่ะแล้วเห็นมันโกรธบ่อยๆแต่เราพีงแต่ ว, ว่าไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเกิดมันก็ไม่เป็นไรนะใครก็ตามที่มันยังโกรธยังสุญเสียอยู่ไม่เป็นไรนะมันไม่ผิดหรอกแต่คอยรู้ว่า ทุกครั้งที่มันโกรธสติมันไม่เกิดไม่เป็นไรเอาขันติเกิดก่อนมันไม่ผิดหรอกสติไม่เกิดแต่ขันติมาแล้วนี่ขันติเกิดก่อนนี่มันจะนำเอาสติตามมาขันติมันผิดตรงไหนอะไปคุณธรรมนะขันติในโอวาทาปาติโบขันติปรมังตะโปตีติขันติคือความอดกลั้น เป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์นะสติไม่เกิดใช้ขันติไปก่อนทำเป็นธรรมะที่ลงท้ายด้วยติติเหมือนกันนะใช้ด้วยกันได้อย่าไปลังเกียจธรรมะส่นทานเพราะขันติเกิดปั๊บเนี่ยขันติสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดสติแล้วก็จะเกิดสมาธิจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยพอกระทบอารมณ์ปับ๊บจิตตก สติแตกก็ขันติตามเลยถ้าจิตตกนึกถึงแก้วใสๆนะพอจิตตกปุ๊บมันก็ต้องแตกสติเกิดโอ้ไม่น่าเลยเราไม่เป็นไรหรอกขันติก็ได้หรือสติก็ตามมาเองอย่าดูถูกธรรมะขั้นพื้นฐานมีประโยชน์มากใช้ไปก่อนใช้ขันติไปก่อนแม้ว่าผู้ที่ปฏิบัติชอบเพ่ง ก็ไม่เป็นไรหรอกจิตที่มันเพ่งถ้ามีจิตผู้รู้เพ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้เพ่งนะนะจิตที่มันเพ่งกับจิตผู้รู้เพ่งนี่ยมันคนจิตกันมันคนบอเพ่งหน่อยเครียดเลยแหมมันทําไมเรื่องแบบนี้มันมีจิตผู้รู้เพ่งใช้ได้แล้วไอ้เรื่องความเพ่งเป็นเรื่องของจิตแต่จิตผู้รู้เพ่งนี่มันไม่ใช่จิตอันนั้นแล้วมันเป็นจิตใหม่ถ้ามัน สมมุ่นวายขันติไปก่อนอดทนไม่ก่อนไม่เป็นไรหรอกความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมนะอย่าไปคิดว่าแม้เราไปฏิบัติทำขั้นสูงแล้วโลกุตตธรรมแต่ลืมธรรมะขั้นพื้นฐานหมดเลยเจริญสติทำสติประฐานทำอิปัสนาลืมน้ำใจลืมการเสียสละลืมเป็นคนมีน้ำใจขาดน้ำใจไปเลยลืมการให้อภัยลืมเมตตาลืมจั จ, จ นะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นการช่วยเราต่อยอดไปถึงธรรมะขั้นสูงได้อย่าลืมนะเรื่องน้ำใจให้อภัยเดี๋ยวนี้คนเราไปไฏิบัติธรรมแล้วขาดน้ำใจขาดการให้ทานขาดการเรสรียสละทิ้งไม่ได้หรอกธรรมะทั้งหลายต้องประกอบกันช่วยกันจิตมันจึงจะมีสมาธิ มันยังมีปัญญาได้เป็นประสบการณ์ของจิตผมเองก็เคยใช้นะผมนี่ใช้ขันติผมนี่เป็นคนที่มีนิสัยชอบใช้ขันติชอบอดทนอะ่แะแต่ะละลายแล้วผมชอบอดทนคิดว่าไอ้ความอดทนของเราเนี่ยทุกครั้งที่ผมอดทนเนี่ยผมมีความภูมิใจว่าผมกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอดทนเพื่อตัวเราเนผมทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภูมิใจในความอดทนขณะที่กาลังอดทนเนี่ย เรามีความภูมิใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเมื่ออดทนแล้วเนี่ยปรเดี๋ยวมันจะมีสติตามมาแต่ก่อนไม่เคยปฏิบททัติธรรมมีความอดทนเป็นพื้นฐานอดทนเหมือนอูดไม่พูดเหมือนปลาสื่อสัตว์เหมือนหมาขี้ก้าเหมือนวัวมีวันหนึ่งผมอาศัยความอดทนเนี่ยพอเริ่มสนใจธรรมะก็จะมาเจริญสติ ผู่ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะคล้ายๆกันชอบหาที่เงียบๆไม่ชอบมีใครพุกพลานไม่ชอบมีเสียงดังชอบอยู่เงียบๆคนเดียวใครอย่ามายุ่งนะนอนอผมก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเป็นงั้นจริงๆนะทุกอย่างจัดสิ่งแวดล้อมให้มันถูกใจอยู่บ้านนคะรสวรรค์นเนี่ยนอนปฏิบัติอยู่คนเดียวต็รอจังหวะคุณพ่อคุณแม่ลงไปทํางานแล้วว่าเราเนี่คนเดียวสบายเลย นอนพลิกมือรู้สึกพลิกมือความรู้สึกรู้อยู่ที่บ้านนคะรสวรรค์เจริตสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกรู้สึกไปตอนนี้ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมปิดเทอมนี่ลูกหลานก็จะมาที่บ้านมาแล้วหลานอยู่ที่บ้านกำลังนอนจริตสติอยู่ในห้องหลานเปิดทีวีอยู่ข้างนอกโอ้โหมันฉุนเกือกเลนนะ แต่ว่าไอ้ความเป็นหน้านะจะไปดุหลานก็น่าเกลียดไม่เป็นไรแล้วลอดทนไว้ก่อนใจก็อดทนนอนพิกมืออดทนทมอดทนเจริ้สติใช้ความอดทนใช้ความขันติในการเจรติตรู้สึกตัวไปเวลาเสียงมันดังเราก็แหน่ลำคาญจิตไปกับเสียงไม่เป็นไรอดทนกลับมารู้มือเคลื่อนไหวเปอปั๊บจิตมันก็ไปกับเสียงแล้วกลับมาเพ่งมือเคลื่อนไหว เเพ่งไม่ให้อุจจาระมือเดี๋ยวเสียงมันก็ดึงไปเดี๋ยวกายเคลื่อนไหวก็ดึงมาจิตวิ่งไปวิ่งมาไอการที่วิ่งไปวิ่งมาของจิตเนี่ยจิตมันเกิดกำลังนะสะติเกิดกำลังนะเนเสียงดึงสติไปรู้เราก็ดึงกลับมารู้กายชักกระเยอกันไปชักกระเยะมาระหว่างเสียงกับกายเคลื่อนไหวโอ๊ตติดมันเกิดกำลัง เมื่อเราจะกระยื่อไปไหนไหมเนี่ยทางโน้นดึงไปดึงมาเนี่ยมันทําให้เรามีกํำลังได้ก็มีกําลังก็เห็นว่าอ๋อเสียงนี่ทางโน้นนะไอ้การขึ้นไหวทางนี้มันแยกเสียงออกจากกายนะจริงมันคือรูปธรรมเหมือนกันรูปเสียงกับรูปกายมันแยกออกจากกันเนี่ยมันมีสติสติตรงกลางเนี่ยนอนทลิกมืออะไรเงี้ยเสียงอยู่ทางโน้นสติตรงกลางอ๋อมันแยกกันเนี่ยสติตรงกลางจิตสติผู้รู้ตรงกลางนะ สักพักนึงเพราะมันเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งจิตผู้คิดมันเกิดขึ้นมาเลยมันคิดชอบไม่ชอบถ้าเป็นเสียงกระตูน่จิตมันไม่ชอบมันดังมากเลยถ้าเป็นเสียงเพลงแลเราโอ๊ตจิตมันชอบค่อยแล้วเกิดเห็นไหมเสียงที่ไม่ชอบเนี่ยมันรู้สึกดังมากกวนประสาทแต่ที่เราชอบเนี่ยแหมันอยากให้มันดังๆแล้วเกินมันรู้ไอ้ความชอบไม่ชอบเนี่ย มันเกิดในจิตใจเรามันแยกสติส่วนหนึ่งกายเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเสียงอยู่ด้านหนึ่งความคิดด้านหนึ่งมันแยกแตกขันไปเลยโอ้นี่ไปวิปัสสนานะวิปัสสนาในต้องเห็นอารมณ์นี่มันแยกกันเห็นกายเห็นจิตเห็นอาการแต่มันแยกกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าไปสมถะจะเห็นแค่หนึ่งเดียว โอ้ตัวแรกดูกายเคลื่อนไหวดูแบบเพ้งๆแบบจั บ, จบๆกลัวจิตมันจะไปหลงลในความคิดหรือเสียงมันเป็นสมถะแต่เสียงมันทำให้เราแยกออกมาได้โอ้ขอบคุณเสียงทีวีถ้าไม่มีเสียงทีวีต้องเพ่งมือตลอดชีวิตเลยมันเห็นการแยกเป็นปนิพพานไปเลยต้องขอบคุณเสียงไหมอาศัยความอดทนอาศัยขันติและเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญา แต่พอวันไหนเขาไม่เปิดทีวีเราก็แยกไมเป็นเลยนะพอโรงเรียนเปิดเด็กไปโรงเรียนเนี่มันมันชักจะเพ็งเพ่งนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราเพ่งนานๆก็เนี่ยมันเกิดว่าอ้ถ้าเพ่งแล้วมันเครียดถ้าเพ่งแล้วมันเครียดมันเครียดมันก็ทุกจะเลิศสติท์ทุกทุกทีเป็นว่าเราเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นจิตมันก็ถอยมารู้เองมันถอยมาวางหามารู้เองใช่ไห มันก็ได้ปัญญามันต้อคันติเนี่ยใช้ไว้เลยนะคุณพ่อคุณแม่ให้มาไม่ต้องมีสติปัญญาแล้วมากมายคันติไว้ก่อนเราอยู่ในโลกเนี่ยนะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นโลกแห่งความอดทนอดกัน้นถ้าเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะต้องรู้จักอดทนอดกัน้นแม้ว่าความอดทนมันไม่ใช่ภาะวะสูงสุดของธรรมะ แต่ถ้าเราเดินเหมืนชีวิตด้วยการอดทนอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยเราอย่าไปคิดว่านี่คือการอดทนอย่าไปคิดว่าเรากำลังอดทนไอความวุ่นวายยุ่ยยากทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นปกติธรรมดาไปเอง <c oughs> มันเคยจินไปเองนะเนี่ยนี่ก็ง่ายๆนะวันนี้ผู้เรื่องง่ายๆฟังง่ายๆ ก็เป็นเรื่องดับทุกข์เหมือนกันง่ายที่จะดับทุกข์เนี่ยแล้วก็มาเป็นกัลยะาณมิตรกันมาพูดให้ฟังมาแนะนํามาพูดคุยกันเนี่ยบาทีจะเป็นประโยชน์บ้างก็คุณนหน้าคุณนตาพวกเราเหมือนเมันเป็นกิ๊กกันนะเป็นกิ๊กทางธรรมกิ๊กทางธรรมเนี่ยมันมีแต่ความเกื้อกูลในสิ่งที่ดีๆไม่เหมือนกิ๊กทางโลก มีแต่ราคะโทสะโมหะล้นใจเราเป็นกิ๊กทางธรรมผู้ใดมันทันสมัยกิ๊กทางธรรมนิดยังค้นไม่พบในปรญตาปีดกะนะเอามาใชใ้เป็นประโยชน์บ้างก็เริ่มต้นจากการมีจิตประพัสสอนผ่องใสในการเจริญสติเราจะได้ไม่จริงจังไม่ไปเอาอะไรกอกการปฏิบัติ จิตภวนสอนคือจิต ท, ที่มันผ่อนคลายเล่นๆสบายๆแล้วเราก็นำเอาจิตพาวนสอนเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจําวันบ้างจะทํางานอะไรก็ทํำด้วยจิต ท, ที่เป็นปกติง่ายๆผ่งองใสเนยจะ ท, ที่บ้านอยู่กับครอบครัวจิตแล้วก็ผ่องใสยอยู่กับการใช้ชีวิตทั้งที่บ้านที่ทํางานดีที่ไหนๆก็เริ่มต้นจากจิตผ่องใสไว้ก่อนภาวนสอนไว้ก่อนไม้ว่าเราอาจจะ เจอสิ่งที่เราไม่พอใจมีอารมณ์ต่างๆมากระทบนั่นเป็นเพียงอารมณ์มันไม่ใช่จิต ท, ที่ผ่องใสหรอกมันเป็นเพียงแค่อาคารตุกะอุปกิเลส ท, ที่มันจอนมาแล้วมันก็จรไปจิตมันก็จะผ่องใสเหมือนเดิมแม้ว่าอุปกิเลสจะมาครอบงำจิตแต่ในความผ่องใสของจิตมันก็ยังมีอยู่เป็นตัวของมันเองอยู่ ไอ้ตัวอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ผ่องใสทั้งๆมันคือความซ่อมหมองเราต้องทําจิตให้เหมือนกระจกใสกระจกใสเนี่ยมันสะท้อนสิ่งต่างๆซ้อนภาพต่างๆเข้าไปในกระจกแต่กระจกไม่เคยที่จะเป็นไปตามสิ่งที่มานสะท้อนเลยใช่ไหมจิตเราก็เหมือนกั น, นมันก็จะมีความผ่องใสเสมอๆเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แลียต้นตรงนี้นะเี่ยแล้วเราก็จะ มีชีวิตที่ไม่ต้องไปทุกข์กับใครก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านเนี่ยจงมีจิตที่ประพัสสอนผ่องใสเบิกบานตัดสัจเครื่องซ่อมหมองด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด